าการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ยากนะหัดรู้สภาวะให้ได้ดูสภาวะธรรมให้ได้สภาวะธรรมมีสองส่วนส่วนของรู ป, ปรธรรมกับส่วนของนามธรรมาส่วนของรู ป, ปรธรรมเนีย่ยจะดูยากนิดนึง อย่างตัวรูปธรรมแท้ๆคือธาตุดินน้ำไผลมดูลําบากกว่าจะเห็นธาตุเราจะไม่ค่อยเห็นตัวธาตุเราจะเห็นมันทั้งตัวนี่ยิ่งในสติปัฏฐานนี่ถ้าดูกายในเบื้องต้นท่านไม่ได้สอนให้ดูตัวธาตุตัวธาตุเนี่ยเป็นตัวรูปธรรมตัวจริงๆเลยเรียกว่ามหาภูตา ร, รูปเป็นมหาภูตา ร, รูป ตัวรูปอื่นๆก็อาศัยมหาปุตรรูปปรุงขึ้นมาอย่างธาตุทั้งสีเนี่ยรวมกันขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยเราจะดูแล้วแยกธาตุเป็นส่วนๆเนี้ยทำยากพระพุทธเจ้าก็สอนสิ่งที่ง่ายกว่านั้นให้เริ่มต้นท่านก็ให้ดูตัวทั้งตัวเนี้ยหายใจ อย่าไปดูลมหายใจนะดูร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะพวกเราลองดูลมหายใจซิตอนนี้ดูไปที่ลมหายใจจำจิตใจตรงนี้ไว้นะเอาถอยขึ้นมาหายใจแรงๆนะเล้จะทิ้ง ของเก่าที่ไปดูลมหายใจได้คราวนี้เปลี่ยนใหม่ดูร่างกายหายใจรู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายหายใจลองรู้สึกดูสังเกตไหมจิตไม่เหมือนกันนะอันแรกเนี่ยเอยาไว้ทำสมถะทำให้จิตสงบเฉยๆนะ ที่สองเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยมันกาลังหายใจอยู่เังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ไปดูตัวลมจริงๆนะท่านบอกว่าดูกราภีกสูทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวตัวอะไรที่หายใจออกยาวตัวกายนีย่หายใจออกยาว เมือ่อหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวตัวอะไรที่หายใจเข้าตัวนี้ทั้งตัวไม่ได้บอกว่าให้รู้ลมหายใจไม่ได้ให้จ้องที่ลมถ้าจ้องที่ลมเราจะได้สมะถะถามว่าผิดไหมไม่ผิดถูกแต่ถูกแบบสมถะนี่ถ้าเราจะเจริญปัญญานะเรารู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูสบาย ไม่ต้องสนใจที่ตัวจิตนาตอนนี้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกสบายๆการที่เราเห็นร่างกายหายใจเนยต่อไปการเดินปัญญานะตัวที่ดูง่ายกับการหายใจยคือตัวอนิจจังรู้สึกไหมร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เดี๋ยวก็ร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวก็ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าเนี่ยเราค่อยๆรู้สึกไปแล้วจะเห็นในชีวิตเรานะเป็นของไม่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเรากำลังตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ชีวิตเราเนี่ยหดสั้นลงไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกลองทำความรู้สึกเี่ที่หลวงพ่อบอกสิว่าชีวิตเราหดสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกสังเกตไหมจิตจะ เ, เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งละดูออกเปล่า จิตมันเริ่มสลดสังเวชลงมา่ตอนที่เรารู้ลมหายใจนะจิตจ้องลงไปนิ่งมีพลังนะนิ่งนิ่งตอนที่เราเห็นร่างกายหายใจเนะี่ยจิตมันจะเริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายเนะี่ยเดี๋ยวก็าหายใจออกเดี๋ยวก็าหายใจเข้ารู้ด้วยใจที่สบายสบายใจไม่ได้จมลงไปอยู่ที่ลม เมเรามาทำความรู้สึกว่านี่ชีวิตเรากำลังหมดไปสิ้นไปใจเราสลดลงมาค่อยรู้บ่อยๆนะดูลงมาในกายก็เห็นชีวิตนี้กำลังหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงควรที่ใส่เสื้อหัวหินที่นั่งแถวหน้านี่ จิตไม่ถูกนะลงไปเพ่งนะเวลาดูกายเราจะเห็นนะถ้าเริ่มจากลมหายใจจะเห็นร่างกายหายใจเราพว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ช่วคราวแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ช่วคราวแล้วก็ดับสุดท้ายมันจะรู้เลยร่างกายเนี้ยนะมุ่งไปสู่ความแตกดับ กำลังมุ่งไปสู่ความแตกดับการที่เราเห็นว่าร่างกายนีย้กำลังถูกบีบคั้นให้แตกดับไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นทุกขังทุกขตารู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายหายใจต่อไปนะแล้วรู้สึกไหมตัวที่หายใจอยู่นไม่ใช่ตัวเรารนะเป็นสิ่งที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว ในร่างกายเนี้ยลองทำความรู้สึกซิว่าร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวรู้สึกไหมรู้สึกแปลกแปลกไหม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะมันไม่รู้ทั้งหมดทันทีที่หลวงพ่อบอกลราต้องฝึกตอนแรกนี่ก็ฝึกให้รู้ทันก่อนนะเนี่ยเวลาจิตเราลงไปอยู่กับลมเนะี่ยเป็นแบบหนึ่งจิตถอนขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตเป็นอีกแบบหนึ่งพอจิตถอนขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจแล้วเราก็เริ่มเดินปัญญานะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูไป แล้วก็ทความรู้สึกขึ้นมาชีวิตเราเนี่ยกาลังหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกตรงที่เราทําความรู้สึกขึ้นมาเนียเรียกว่าเราสร้างสัญญาขึ้นมาอันนี้จะสัญญาเห็นแต่ความไม่เที่ยงตรงที่หลวงพ่อสอนหลัง น, นดูไปตัวที่หายใจอยู่เนี้ย ไม่ใช่ตัวเราอะอันนั้นเรียกว่าอนัตตสัญญานะก่อนที่จะเดินวิปัสสนาจริงๆนะก็ต้องฝึกให้มีสัญญาที่ถูกต้องคือหัดหมายรู้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของรูปพระธรรมของนมามธรรมนี่อย่างตะกี้หลวงพ่อพาดูรูปนะดูรูปเราก็ดูรูปประธรรม สดแสดงใจรักไปแล้วหัดดูทีแรกนะมาทําใจไปดูว่าเออมันไม่เที่ยงน้ําชีวิตเรากําลังสั้นลงเรื่อยๆนะเนี่หัดดูไปถ้าจะมองในมุมที่ว่าชีวิตนี้กําลังถูกบีบคั้นให้หมดไปนี่คือมองในมุมของทุกขตานะมองในมุมของทุกถ้ามองในมุมที่ว่าไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกนะ อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับถ้าเรามองในมุมนี้เรียมองในมุมของอนิจจังของเคยมีแล้วไม่มนะีถ้าเรามองในมุมที่ว่าเนี่ยร่างกายเรากำลังตายไปทีละน้อยทีละน้อยนะใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วอันนี้มองในมุมของทุกขตานะทุกขัง คือมันถูกบีบคั้นให้แตกดับอยู่ตลอดเวลามุ่งไปสู่ความแตกดับถ้ามองในมุมของอนัตตาก็ะจะเห็นนะร่างกายเนี้ยมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตเรามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหัดมองหัดมองในมุมของไตรลักษณ์เป็นการกระตุ้น ให้เรารู้จักใช้สัญญาที่ถูกต้องการทำวิปัสสนานั้นจะทิ้งสัญญาไม่ได้แต่สัญญาต้องถูกต้องบางคนพูดมั่วซั่วนะบอกสัญญานี้เป็นศัตรูกับปัญญาพระสาริบุตรถึงขนานบอกเลยนะถ้ายังมีสัญญาสมาบัติอยู่จะทำวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้ ในความเป็นจริงไม่มีใครทิ้งสัญญาได้สัญญาก็เหมือนเบทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นั่นแหละเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงต้องมีสัญญาไม่ว่าจะจิตพระลระหันก็มีสัญญานจิตปุถุชนเราเนี่ยมักจะมีสัญญามีปราดสัญญาเพี้ยนเพียนของไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยงของเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นสุข ของไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเป็นตัวเรางั้นเรามาฝึกนะว่าจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวรู้ตัวอยู่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเราก็มาหัดมองหัดมองก็คือหัดสัญญาที่ถูกต้องดูสิร่างกายเนี้ยที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวเราก็ดับไปนะร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่มองอนิจจัง ร่างกายนี้นะกำลังเคลื่อนไปสู่ความแตก ด, ดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไปถึงจุดจบคือจุดที่แตก ด, ดับตายนะตัวนี้มองในมุมของถูกขังร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตพวกเรารู้สึกไหมลองทำความรู้สึกขึ้นมาร่างกายนี้เหมือนเหมือนถ้ำถ้าหนึ่งนะ จิตอาศัยอยู่ข้างในรู้สึกได้ไหมเวลาเธาเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นถ้ำถ้ำหนึ่งนะเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราลองทำดูซิดูไปร่างกายเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำรู้สึกไหมมนันเป็นเปลือกมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามองเป็นนะก็จะเห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตาหมายรู้ถูก ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหมายรู้ถูกได้แล้วนะก็ทำให้เกิดมากๆปฏิบัติเนืองเนืองห้ใจไปก็รู้สึกไปจะ ใ, ในมุมของอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาก็ได้เท่าที่เราถนัดนะหายใจไปแล้วก็มองในมุมอันใดอันหนึ่งของไตรลักษณนะ์จำได้อย่างวิธีมองใครยังจำไม่ได้ยกมือ สารภาพมาถ้าจําได้เดี๋ยวหลบพ่อข้ามไปต่อเรื่องอื่นนะมองในมุมของอนิจจังทําความรู้สึกขึ้นมาในใจเรานะเห็นไหมเราตายอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี้ตายอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกมีขึ้นมาแล้วก็ตายไปร่างกายที่หายใจเข้ามีขึ้นมาแล้วก็ตายไปเราทําดู ทำใจนะไม่ใช่คิดแค่ทำใจคือหมายรู้นะั่นเองพอเห็นไหมนะลองเปลี่ยนหายใจแรงๆเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานนะหายใจแรงๆเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งนะเห็นร่างกายหายใจ รู้สึกสบา ย, บายเห็นตัวนี้หายใจทำความรู้สึกขึ้นในใจว่าร่างกายนี้ชีวิตนี้หมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งชีวิตก็หดสั้นลงไปครั้งละหนึ่งลมหายใจทำความรู้สึกว่าชีวิตนี้หดสั้นลงไป อพอเมื่อกี้เห็นจิตกระชอกไหมตอนที่เสียงะระฆังมาจิตปุ๊บขึ้นมาว่าเราไม่ไม่มีหมาเสียงะระฆังดังแลไก่ร้องแทนนะเนี่ยจิตตรงนี้เปลี่ยนแล้วรู้สึกไหมอา้าวต่อไปเห็นร่างกายหายใจไหม อย่าเพ่งนะแค่รู้สึกร่างกายมันหายใจแล้วทำใจทำความรู้สึกขึ้นมาร่างกายนี้มันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนอุโ ม, มนหนึ่งนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จำได้ยังอา้าวถอยขึ้นมาจำได้ยังสอนมาตั้งสามรอบแล้วตติยเปีแล้วนะ <c oughs> ใครถนัดเห็นว่าเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใครถนัดตรงนี้ใครถนัดที่เห็นว่าร่างกายเนี่ยกำลังหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลายกมือซิ ใครเห็นร่างกายเป็นเปลือกเป็นถ้ำนะโอ้พวกนี้เห็นหน้าตาเยอะนะสดแสดงว่าเป็นพวกปัญญามากนะพวกปัญญาเยอะส่วนพวกที่เห็นตัวทุกเนะีนะ่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสมาธิเยอะนะตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดได้กันบ้านแล้วนะสําหรับวันนี้ไดอย่างทํายังไง ถ้าต้องการความสงบดูลมหายใจจิตจะได้พักผ่อนเอาทําดูลมหายใจเนี่ยเวลาต้องการความสงบเพื่อทำแบบนี้นะอย่าไปเพ่งให้อ่นอัด น, นะ แค่ไปรู้ลมหายใจเฉยๆเท่านั้นคอนเซนเทรตรู้ไปที่ลมหายใจเฉยๆจิตก็สงบเองแต่ถ้าไปเพ่งที่ลมนะอึอดอัดใช้ไม่ได้เลยสมถาก็ไม่ได้ะจําได้ยังวิธีทําให้สงบนรู้ลมหายใจสบายๆไปอเอวถอยจิตขึ้นมาหายใจแรงๆวิธีถอนจิตขึ้นมาหายใจแรงๆ ต่อไปเห็นร่างกายหายใจซ้อมเห็นร่างกายทั้งร่างกายนี่แหละมันกำลังหายใจอยู่ดูร่างกายหายใจนะพอเรารู้สึกถึงร่างกายหายใจแล้วเราก็เติมมุมมองลงไป ถนัดในมุมของอ น, นิจจังก็ดูไปร่างกายนี้ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าถนัดในมุมทุกขังก็ดูร่างกายนี้ถูกบีบคั้นนะกำลังก้าวไปสู่ความตายทีละน้อยทีละน้อยมองในมุมของอนาตาัตตร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาแล้ว นี่พอจเจริญปัญญานะมองในมุมของไตรลักษ์ไปช่วงหนึ่งเกิดเหน็ดเหนื่อยขึ้นมานะหายใจแรงๆถอนใจเปลี่ยนนะก็ไปดูลมหายใจเวลาทำมีปั ส, สนานะหมายรู้ความเป็นไตรลักษ์ไปแล้วจิตมันเหนื่อยนะก็ไปทำสมถะไปดูลมหายใจ ดูลมหายใจพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับจิตขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะเริ่มจากดูลมหายใจพอจิตมีกําลังสดชื่นแล้วขยับขึ้นมาดูร่างกายหายใจพอดูร่างกายห า, ายใจได้แล้วเติมมุมมองของความเป็นไตรลักษณ์ลงไปะไม่ใช่หายใจเฉยๆแต่มองในความเป็นไตรลักษณ์ไปฝึกเข้า วันนี้สอนแปลกไหมสอนแล้วต้องเอาไปทํานะปก ต, ติครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนหรอกครูอาจารย์สอนก็เอาไปพุโทโธไปนะพุโทโธไปเป็นปีๆเลยแล้วแต่ก็บอกไปพิจารณ์กายพี่นางณ์อไรก็ไม่บอกนะให้ทำเอาเองเท้านั้นนะนี่บอกให้ละเอียดละออแล้วก็ไปทําเอาใหญ่ขี้เกียจนะใครขี้เกียจจะแช่งให้จุดจุด <laughs> อล้วไปกินข้าวไปียนข้าวก็ดูร่างกายหายใจไปนะะนิมนต์นะครับ